บทที่40วีตโศกพระอนุชาพระเจ้าอาโศกได้ทรงสดับคำวิสัชนาเรื่องกรรมและวิบากแห่งกรรมจากพระมหาเถระโมคคลีบุตรแล้วทรงรู้สึกประทับพระทัยอย่างยิ่ง เพราะเป็นมัธุรสุภาษิตอันเพียบพร้อมไปด้วยเหตุผลควรเชื่อถือทุกบททุกตอนเน้นหนักให้ทุกคนรับผิดชอบตนเองสร้างชะตาชีวิตของตนเองมีอำนาจอิสระในตนเองไม่ต้องพึ่งความโปรดปรานของเท พ, พเจ้าอย่างลัทธิศาสนาอื่นและไม่ตึงเครียดเกินไปอย่างศาสนาหลายศาสนาอันมีอยู่ดกเดินในดินแดนชมพูทวีป พระองค์ทรงย้อนระลึกถึงอดีตกรรมแห่งพระองค์ที่เคยทรงฆ่าคนมาเป็นจํานวนหมืน่นทำให้ทรงสะท้อนพระทยัยหากกรรมนั้นยอกย้อนมาหาพระองค์ในภายหลังพระองค์สามารถทนรับกรรมอันมหิมนั้นไหวหรือลำดับนั้นความหวาดสสดุ้งต่อผลแห่งบาปได้เคลื่อนเข้าสู่พระทัยของจอมราชานทรงมองเห็นภัยแห่งชีวิตในภายหน้า มีอาการประหนึ่งทารกน้อยประจันหน้ากับอสรพิษร้ายในทางเปลี่ยวเนื้ออื่นใดทรงละอายพระไทยในอดีตกรรมที่เคยทรงกระยิมภาคภูมิว่าเป็นวีรกรรมอันก้องกึกสงครามสงครามเป็นเรื่องหน้าละอายมากกว่าหน้ายกย่องการรุกรานเป็นเรื่องของคนอ่อนแอทางจิตใจมากกว่าการแสดงถึงความเข้มแข็ง เกียรติที่ได้รับจากความสาเร็จอันเกิดจากลุกรานนั้นเมื่อความรู้สึกผิดชอบเกิดขึ้นมันเป็นพิษแก่จิตใจมากกว่ายาชูกําลังความรู้สึกดังกล่าวนี้วนเวียนอยู่ในพระทัยของจอมจักรพรรดิเหมือนกระแสชนที่วก ว, วนหมุนเวียนลำดับนั้นภาพอดีตก็ฉายเข้ามาอีกพระองค์ทรงเห็นภาพทะเลเลือด นัทุ่งยุทธสมครามในแคว้นกาลิงนางละครดินแดนเวสาลีและศพแห่งราชกุมารโมริยะวงมากมายที่พระองค์ทรงประหารด้วยพระหัตต์เองทรงละอายและสลดพระทยัยเชกนักพรทเมื่ อ, อย่างเข้าสู่วัยชารารู้จักคุณค่าแห่งการสำรวมในศีลแล้วหวนระลึกถึงอดีตสมัยเมื่ อ, อยังเป็นพระหนุ่ม มีเส้นเกศายัางดำเอิบอิ่มพอใจในการสนทนาหยอกเย้าด้วยสตรีเพศเห็นเป็นเรื่องอันควรชื่นชมควรอวดแก่เพื่อนร่วมพรหมจรรันทร์พระองค์ทรงตระหนักน้บัดนั้นว่าพระพุทธศาสนานี่แล้วจักเป็นที่พักพิงแห่งจิตใจอันระหกละเหินมาเป็นเวลานาน เป็นที่พึ่งอันปลอดภยัยจอมราชาลดพระองค์ลงมาจากเก้าอี้ที่ประทับกระทำพระภูษาเฉลียงพระอังสาคุกพระชานุเบื้องขวาลงประกองอัญชฉลีเปล่งพระวาจาถึงพระรัตนตรยัยต่อหน้าพระโมคคลีบุตรว่าข้าพเจ้าขอแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระลัตนตรตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นประทีปสองทางชีวิตตั้งแต่บัดนี้ไปจวบสิ้นลมปรานดังนี้สามครั้งจบพระาชดำรัสปฏิญญาตนเป็นพุทธมาม ก, กะเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปพื้นปัตพีใหญ่แสดงอาการสั่นสะเทือน ยังปราสาทให้ไหวน้อยๆเสียงคำรามจากเบื้องบนสนั่นกึกก้องสกุลชาติเปล่งสำเนียงร้องดังสนั่นด้วยปรีดาหมูมัดฉาในห้วยหนองคลองเมืองมหานาทีแลนโลดด้วยมีเหตุบันดาลใจให้ปราโมทจตุบททวิบาทซึ่งอาศัยนักเขาโขตอรัญญประเทศก็มีเหตุบันดาลให้เกิดสมนัต กระโดดโลดเต้นส่งเสียงร้องกล้องกังวานไพรโอกาสโลกสว่างสวัยผิดธรรมดามนุษย์นิกรและสัมสัตที่นิตราก็ภวาตื่นพร้อมด้วยปีติสมนัตในหัไทยเหตุอัศจรรย์เป็นไปเยี่ยงนี้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็สงบลงคงสภาพแห่งโลกปกติธรรมดาแล เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงปฏิญญาณพระองค์นับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมาม ก, กะอย่างแท้จริงเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติทรงทานุบำรุงศาสนาและสมณพราหมณาจารย์ทั่วขอบขันทสีมาอาณาจักแม้พระองค์เองจะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ทรงเกียกัน ผู้เคารพนับถือศาสนาอื่นทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรทุกคนของพระองค์ที่จะนับถือศาสนาใดๆก็ได้ที่เขาเลื่อมใสพระองค์เองทรงเป็นศาสนุประถมภพกแ ก, ก่ทุกๆศาสนาดังนั้นศาสนาต่างๆจึงเข้าใจว่า พระเจ้าอาโศกทรงเลื่อมใสในลัทธิศาสนาของตนเกียรติคุณของพระองค์จึงปรากฏอยู่ในคมภีของศาสนานั้นๆแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงเช่นโบราณสถานและปูชนียวัตถุซึ่งพระเจ้าอาโศกทรงสร้างก็ดีข้อความในศิลาจารึกก็ดีและปฏิปทาของพระองค์ก็ดีล้วนแสดงว่าพระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ดังจาลึกเสาศิลาซึ่งอยู่ในเขตประเทศเนปาลมีข้อความว่าพระเจ้าปิยทัศสีคือพระเจ้าอาโศกหลังจากทรงเป็นกษัตริย์ผู้เรืองอนุภาพคือราชาพิเศษแล้ว14ปีทรงสถาปนาสัตถูกของพระโคโดมพุทธเจ้าเพิ่มเติมใหม่เป็นสองสัตวและเมื่อปีที่21แห่งรัชสมัย ได้เสด็จมาสักการะบูชาด้วยพระองค์เองเสาศิลาจารึกอีกต้นหนึ่งในแถบทินเดียวกันเป็นเสาศิลาซึ่งพระเจ้าอาศโศกโปรดสร้างขึ้นในลุมพินีวันสถานที่ประสูตดของพระพุทธองค์มีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักแห่งทวยเทพราชาพิเศษแล้ว20สบปีได้เสด็จมานมัส ก, การด้วยพระองค์เอง ณที่นี้ทางนี้ด้วยเหตุว่าพระสักยาโมนีพุทธะได้ประสูดแล้วณที่นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างสิลารูปม้าและโปรดกล้าให้สถาปนาเสาสิลานี้ขึ้นเพื่อแสดงว่าสมเด็จพระพัควัตผู้ควรบูชาพระองค์นั้นได้ประสูดแล้วณที่นี้พระองค์คือพระเจ้าอาโศก โปรดบันดาลให้หมู่บ้านลุมพินีพ้นจากการเก็บสวยอย่างเมื่อก่อนและเก็บอยู่เพียงหนึ่งในแปดของผลที่ได้เท่านั้นนอกจากนี้จารึกอื่นๆยังมีอีกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอถวายนอบน้อมแด่คณะสงฆ์แห่งมคตและขอถวายพรให้พระสงฆ์จเจริญรุ่งเรือง ม, มีอนามัยดีข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย พระคุณเจ้าย่อมทราบดีแล้วว่าข้าพเจ้าได้มีความเคารพนอบน้อมและเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มากมายเพียงไรนอกจากประกาศพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วยังปรากฏว่าเคยทรงมีพระราชศรัทธาแก่กล้าสละราชสมบัติออกผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาช่วเวลาหนึ่ง แล้วจึงปริวัติเพศออกมาเสวยราชใหม่พระราชปณิธานอันนี้นายว่ากลายเป็นแบบแผนนิติประเพณีของพระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาเจริญรอยตามดังศิลาจารึกว่าข้าได้เป็นอุบาสกอยู่สองปีครึ่งโดยมิได้พยายามปฏิบัติธรรมให้ดียิ่ง ครั้นนับแต่ค่าได้ไปอยู่ร่วมกับพระสงฆ์คือเสด็จออกผนวตระยะเวลาปีฆ่าได้รับผลรุดหน้าโดยธรรมอย่างดีเมื่อพระเจ้าอาโศกซึ่งดำรงตำแหน่งจั ก, กรพรรดิแห่งชมพูทวีเปเบนพระไทยมาทางพระพุทธศาสนาข้าราชบริพาลก็จเจริญรอยตามพระยุคลบาทเพราะหลักธรรมดามีอยู่ว่า ผู้ใหญ่ปกครองประเทศเป็นเหมือนนายท้ายเรือต้องการให้หันเหไปทางใดหัวเรือก็จะไปทางนั้นอามาดราชมนตรีเสนาบดีก็หันมาสนใจบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ลาบสักการะได้เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์เหลือจะคณานับได้พระนางวิมังสาเทวีพระมารดาของจอมจักรพัททรงปลื้มพระทัยอย่างใหญ่หลวง เพราะพระอัธยาศัยของพระนางนั้นน้อมไปในทางธรรมอยู่แล้วประหนึ่งนักเลงสุราบานกระหายใคร่ดื่มเป็นกําลังเมื่อได้รับอนุญาตให้ดื่มได้ก็รีบช่วยแก้วขึ้นดื่มอย่างปรีดาพระนางมีความกังวลพระทายอยู่บ้างก็กับพระโอรสองค์เล็กและพระอนุชาของพระเจ้าอาโศกเท่านั้น เพราะพระราชกุมารไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังสมัครพระทยในคำสอนของเดียร์ธีเป็นต้นว่าคำสอนของเชนและปรามผู้เฒ่าผู้แก่ธรรมดาแม่ย่อมเป็นห่วงลูกเมื่อตนเคารพเลื่อมใสสิ่งใดก็อยากให้ลูกเคารพเลื่อมใสสิ่งนั้นด้วยอย่าพูดถึงแม่คนเลยแม่สัตว์ชนิดต่างมันก็เป็นห่วงลูก โดยที่สุดแม้แต่ปาลาไหลบางทีก็ติดเบ็ดเพราะเป็นห่วงลูกพอย่างเข้าสู่ฤดูฝนปาลาไหลก็จะตกไข่มันจะปิดปากครูพ่นฟองน้ําลายเป็นวอร์ดเหมือนปลากัดวางไข่พวกเด็กๆที่เดินหาวอดปาลาไหลเมื่อพบเข้าก็จะค่อยๆเอาเบ็ดเกี่ยวหอยโขงหรือว่าไส้เดือนหย่อนลงไป สัตว์เพศแม่ซึ่งมีปกติรักลูกพอเห็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดก็โกรธคิดว่าเป็นศัตรูจะมาทำร้ายลูกก็กระโจนเข้าเหมือติดเบ็ดของเด็กฝ่ายหนึ่งดึงเพื่อเป็นอาหารอีกฝ่ายหนึ่งดึงเพื่อเอาชีวิตรอดพระนางวิมังสาเทวีก็เช่นกันมองเห็นพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งปลอดภยัยเป็นที่พึ่งของปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเจ้าชายวีตาโศหรือติดสะยังไม่ได้เลื่อมสายในพระพุทธศาสนาเยี่ยงพระเชษฐภพาดาพระนางก็อดกังวลถึงอนาคตของพระโอรสไม่ได้วันหนึ่งหลังจากเสวยพระกยายหารข้ามแล้วพระนางก็เรียกพระโอรสองค์เล็กมาเฝ้า ทำทีเป็นสนทนาเรื่องอื่นไปก่อนจนเห็นว่าพอสมควรที่จะมาพูดเรื่องพระพุทธศาสนาได้แล้วพระนางจึงตรัสว่าวีตาโศดูเจ้าไม่ค่อยสนใจต่อศาสนาที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสเสียเลยเจ้ามีอะไรในใจจะพูดกับแม่บ้างไหมก็ลูกยังไม่เลื่อมใสนี่แม่ปล่อยให้เจ้าพี่เขาทำา่องเข้าไปก่อนเถอะ พอเลิกรบก็ดูทําบุญทําทานใหญ่โตอีกหน่อยหมดไม่มีสมบัติอะไรเหลือใครครองราชภายหลังเจ้าพี่ก็เวนกรรมคงเหลือแต่บาลังเปล่าการทําบุญน่ะย่อมได้รับผลบุญตอบแทนอยู่แล้วนะลูกจะเอาอะไรอีกละ่ะพระคุณเจ้าโมคคลีบุตรของเราท่านก็ชี้แจงออกละเอียดละออแล้วละเอียดละออ วีตโสภ์ทวนคำพระดำรัสแห่งประมาณดาชี้แจงให้ทำบุญกับท่านและพวกพ้องของท่านนาซีแม่ทำกับคนอื่นก็ได้บุญน้อยต้องทำกับพวกท่านต้องทำกับพระสงฆ์จึงได้บุญมากเป็นคําอธิบายที่เห็นแก่ตัวและพวกของตัวมิใช่หรือแม่เพื่อความอยู่รอดของพระสงฆ์วีตโสกไปกันใหญ่แล้ว ท่านเพียงบอกว่าถ้าจะทำบุญให้ผลมากก็ต้องทำบุญกับผู้ที่มีศีลท่านว่าอย่างนั้นตังหากท่านไม่ได้บอกให้ทำกับท่านหรือพวกของท่านและท่านก็อ้างพระพุทธพจน์ที่พระศ า, าสดาตรัสตอบพระเจ้าเปรตที่โกศลว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าประเปรตที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าควรทำบุญให้ทานที่ใดจึงจะดี ในที่ที่เลื่อมสายซีมหาบอพิธพระพุทธเจ้าตรัสตอบทำบุญให้ทานในที่ไหนจึงจะมีผลมากพระเจ้าอโศกทูลถามอีกปัญหานี้กับปัญหาข้อต้นเป็นคนละปัญหานะมหาบอพิธพระพุทธเจ้าตรัสคือถ้าอยากให้ได้ผลมากก็ต้องทํากับผู้มีศีลการทํากับผู้ไม่มีศีลหามีผลมากไม่ แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้ทําบุญกับพระองค์และสาวกของพระองค์ใช่ไหมแม่วีตาโศกทูลถามเปล่าดอกลูกพระองค์ทรงอุปมาให้ฟังว่าเหมือนการทํานาถ้าเนื้อนาดีไม่มีหญ้าพัน์อื่นรกรุงรังน้ำดีและเมล็ดพืชดีนาข้าวนั้นก็จะเจริญเติบโตมีผลดี การทำบุญทำทานก็เหมือนกันถ้าเราทำกับคนดีมีศีลมีธรรมเป็นผู้รับเปรียบเหมือนเนื้อนาดีเจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาดเปรียบเหมือนน้ำดีไม่มากไม่น้อยและทยธรรมคือของถวายเราได้มาบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริตไม่คดโกงใครมาเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ดีเราก็ได้บุญมาก ถ้าสิ่งเหล่านี้ได้คุณภาพมากเท่าไรเราก็ได้บุญน้อยลงตามส่วนเรื่องจะไม่ได้บุญเลยนั้นไม่มีเพราะพระองค์ตรัสว่าแม่แม่ครัวเทน้ำล้างภาชนะลงดินมีเจตนาให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินได้ดื่มกินเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าราคะโทสะและโมหะเปรียบเหมือนหญ้าพันเอ่นที่จะทาลาย และแย่งอาหารของต้นข้าวความทุศีลเหมือนตัวเพลี้ยตัวมแมลงที่จะกัดกินต้นข้าวเพระนาะฉะนั้นการทำบุญให้ทานแก่คนทุศีลหรือคนมีราคะโทสะและโมหะแรงกล้าจึงมีผลมีอนิสง์น้อยผู้ฉลาดเมื่อจะทำบุญทำทานพระนางตรัสต่อไปจึงพยายามเลือกบุญญาเขตที่ดี เลือกทำกับนักพรตผู้มีศีลดีมีราคะโทสะและโมหะน้อยเพื่อจะได้ผลมากการทำบุญเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นลูกเห็นว่าไม่น่าจะต้องมากังวลกับเรื่องผลมากผลน้อยเมื่อเราสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาก็แล้วไปเขาจะได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ของเรานั้นเราก็ควรพอใจแล้วไม่น่าจะต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากไปอีก ทำทำนองดีหนึ่งต้องการผลตอบแทนเป็นร้อยอย่างนั้นแหละวิตโศกตรัสความจริงการทำความดีหนึ่งและมีผลตอบแทนเป็นร้อยนั้นปรากฏของธรรมชาติอยู่แล้วลูกลองคิดดูเข้าเปลือกเมล็ดหนึ่งที่เราปลูกมันงอกงามขึ้นมาเป็นรวงหนึ่งหนึ่งรวงนั้นก็มีเมล็ดจำนวนร้อยหาปลูกข้าวเมล็ดหนึ่ง และได้มเมล็ดหนึ่งจะต้องปลูกมันทำไมให้เหนื่อยแรงเปล่ามันไม่คุ้มค่าแรงงานและการลงทุนอื่นๆแม่จึงบอกว่าการกระทำหนึ่งและมีผลเป็นร้อยนั้นเป็นกฎของธรรมชาติแต่ถ้าหวานข้าวลงบนแผ่นหินก็ไร้ผลเหมือนทำนาดีกับคนอกตันยูอากตะเวทีย่อมจะหวังผลไม่ได้ อันหนึ่งำโบราณมีอยู่ว่าการปลูกพืชก็เพื่อหวังผลคนทําความดีก็ย่อมต้องการผลดีเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อเป็นกำลังใจให้ความดีต่อไปอีกเพื่อเป็นกาลังใจให้ทาความดีต่อไปอีกพวกเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนยังต้องอาศัยความดีเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิต อย่างน้อยก็ทำความดีนั้นให้เป็นการสั่งสมบารมีดีกว่าสั่งสมอสะวะพระนางตรัสในที่สุดตั้งแต่แม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาตามเจ้าพี่อโซลูกฟังภาษาของแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยบารมีอสะวะโยนิโสมนัสิกานอะไรอะไรนี่แหละดูมันยุ่งยุ่งยากๆ ก, กอย่างไรไม่ทราบเจ้าชายน้อยตรัสไม่สู้พอพระไทยนัก วีตาโศเรื่องเหล่านี้ถ้าเราสนใจเส้นหน่อยก็ไม่ใช่ของยากลูกก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากเท่าที่โอกาสจะเปิดสำหรับราชกุมารในโมริยาวงลูกยอมรับไม่ใช่หรือว่าวิชาการทุกขแขนงย่อมมีศัพท์เฉพาะและมีความหมายพิเศษเฉพาะวิชาการขแขนงนั้นๆพระพุทธศาสนาก็เป็นวิชาการขแขนงหนึ่งย่อมมีศัพท์ และความหมายเฉพาะตัวบ้างถ้าสนใจก็ไม่ใช่ของยากที่นักปราชญาเพานิยมใช้กันทุกสาขาวิชาการก็เพราะเป็นความสะดวกยอมลำบากเส้นหน่อยตอนต้นๆพอคุ้นแล้วก็สะดวกสบายกว่ากันมากบารมีนั้นคือความดีที่บุคคลสั่งสมไว้เพื่อบำบัดทุกในยามีทุกเพื่อช่วยประคับประคองไม่ให้เหลิง ลหลงไหลในยามสุขเพื่อช่วยชำระจิตใจให้สายสะอาดเหมือนคนสั่งสมทรัพย์เหลือไว้บ้างเพื่อนํามาใช้สอยในยามเจ็บป่วยหรือในวัยชาราลูกจะเห็นว่าแม่พูดว่าบารมีคําเดียวจะสะดวกกว่ามากมิฉะนั้นแล้วจะต้องพูดกันยาวส่วนอสวะนั้นหมายถึงการสั่งสมความชั่วเข้าไว้เรื่อยๆจนกลายเป็นหมักหมม เหมือนกองขยะอีกนายหนึ่งอสวะคือสิ่งที่ช่วยหมักดองสันดานให้เป็นคนมืนเมาอยู่ด้วยอำนาจทรัพย์ยศบริวารเป็นต้นโยนิสโสมนสิการคือการพิจารณาทุกๆอย่างด้วยปัญญาอันลึกซึง้งพิจารณาถึงต้นตอของมันอย่ามองอะไรอย่างผิวเผินถ้าลูกสนใจก็พอจะรู้ได้วีตะโสกทูล แต่เวลานี้ยังไม่อยากสนใจเห็นพระพิสุแล้วไม่เกิดความเลื่อมใสมีอะไรหรือลูกพระทำอะไรให้ลูกไม่เลื่อมใสหรือลูกรู้สึกว่าพระเป็นกลุ่ ม, มนุษย์ที่เห็นแก่ตัวมุ่งทำประโยชน์ของตัวแล้วให้คนอื่นเลี้ยงดูมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์พระทำอะไรบ้างแม่ลองคิดดูสวดมนต์ทาสมาธิเรียนตารา สั่งสอนคนบ้างก็น้อยเหลือเกินแล้วก็ทำได้เป็นบางองค์เท่านั้นน้ำเสียงของเจ้าชายน้อยสอดคล้องกับความที่ตรัดนั้นทุกประการวีตโสกฟังแม่ก่อนพระท่านอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพนั้นจริงแต่ท่านก็อาศัยคุณความดีของท่านด้วยถ้าท่านไม่เป็นพระที่ดีคนก็ไม่เลี้ยงดู และคณะสงฆ์ก็ไม่ยอมให้อยู่เป็นพระอีกต่อไปท่านมีระเบียบวินัยบังคับกายวาจาและใจให้อยู่ในกรอบในฐานะที่ดีงามถ้าถือว่าพระเป็นกลุ่ ม, มนุษย์ที่เห็นแก่ตัวแล้วพวกเรายิ่งเห็นแก่ตัวกว่าท่านเสียอีกพวกเราก็กินสบายนอนสบายมีของกินของใช้อย่างฟุ่มเฟือยเหลือเฟืออยากจะกินเวลาไหนก็ได้กิน อยากจะนอนเวลาไหนก็ได้นอนระเบียบวินัยเราก็มีน้อยมีลูกมีเมียแล้วก็ให้คนอื่นเข้าเลี้ยงดูเหมือนกันเงินทองที่นํามาเลี้ยงชีพก็เก็บมาจากรัศฎรผู้หาเช้ากินขําเราให้รัศดรเขาเลี้ยงและเรายังบังคับให้เขาเลี้ยงด้วยเพราะการเก็บภาษีและการบังคับจำนวนว่าต้องให้เราเท่านั้นเท่านี้ ข้าราชการทั้งหมดเลี้ยงชีพอยู่ด้วยเงินที่เก็บภาษีมาจากราษฎรเท่านั้นก็ยังไม่พอข้าราชการบางคนยังโกงต่อไปอีกยังทำตัวเป็นนายของราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรเห็นราษฎรเหมือนทาสของตัวความจริงเขาเป็นคนเลี้ยงเราถ้าลูกเห็นว่าความเป็นอยู่อย่างพระเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็ จะยิ่งเข้าเนื้อเข้าตัวพวกเราอย่างไม่มีทางแก้พระท่านมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆเขาเลี้ยงท่านอย่างไรท่านก็อยู่อย่างนั้นแต่พวกเราทำให้ได้เหมือนท่านหรือเปล่าเรื่องเห็นประโยชน์ของตัวนั้นใครใครก็เห็นชาวบ้านที่ทะเลาะวิวาทกันหนะ่าเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องรักษาผลประโยชน์ของตัวเมื่อผลประโยชน์เกิดขัดกันก็ทะเลาะกันทาลายกัน พระทะเลาะกันบ้างก็ด้วยเรื่องทิฏฐิมีความเห็นน้อยในข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันตีพระธรรมวินัยไม่ตรงกันแต่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยละมุลละม่อมแต่ชาวบ้านที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องผลประโยชน์นี่สิต้องฆ่าฟันกันล้มตายไปเท่าไหร่คิดหาทางเบียดเบียนทำลายกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวไว ลูกก็เห็นอยู่เสมอในศาสนาเรานักกฎหมายต้องทำงานหนักเพียงไรเพื่อชาระสะสางคดีต่างๆล้วนวนเวียนอยู่ในการผิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งลูกเคยเห็นพระขึ้นศาลหรือลูกเคยสอบสวนเพราะผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งบ้างหรือไม่หากจะมีบ้างก็น้อยเหลือเกิน คือเกือบจะไม่มีเลยลูกพอจะเห็นหรือยังว่าทั้งพวกเราและพระซึ่งราษฎรเลี้ยงเหมือนกันนั้นมาตรฐานคือจิตใจของพระกับของพวกเราต่างกันเพียงไรส่วนที่ลูกพูดว่าพระที่นั่งสอนคนบ้างก็มีน้อยส่วนมากไม่ได้สอนนั้นแม่ขอให้ลูกนึกถึงต้นไม้ในสวนของเราด้วย เรามีไม้อยู่สามพันคือไม้ผลไม้ใบและไม้ดอกในไม้ทั้งสามพันนี้ก็ยังมีหลายรุ่นหลายขนาดที่ออกดอกออกผลก็มีที่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่ต้องรดน้ำพลวนดินกันอยู่ก็มีมันจะเจริญเติบโตต่อไปถ้าเวลานี้ใช้การอะไรไม่ได้ไม้บางอย่างเราปลูกเอาไว้เพื่ออาศัยเป็นร่มเงา บางอย่างเราต้องการดอกบางอย่างเราต้องการผลคนเข้าไปในสวนต้องการผลไม้เมื่อเห็นต้นใดไม่มีผลก็ฟันทิ้งหมดอย่างนั้นจะถูกหรือ